ชีวิตของพวกเราอยู่กับการกระทาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเรามีการกระทาตลอดเวลาทำด้วยกายทำด้วยวาจาและทำด้วยใจส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีความจำเป็นต้องทำคือร่างกายมันต้อง มีการดูแลเลี้ยงดูเตินขึ้นมาสิ่งแรกที่เราทำกันก็คือดูแลร่างกายร่างกายอยากจะเข้าห้องน้ำเราก็ต้องพามันเข้าห้องน้ำไปํำละร่างกายไปทำอะไรให้ร่างกายมันเรียบร้อยพอเสร็จจากเรื่องของร่างกาย เราก็ไปทำเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายเพราะว่าร่างกายต้องมีปัจจัยสี่ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเราออกไปทำงานกันไปหาเงินหาทองกัน เป้าหมายแรกก็คือหาเงินทองมาเพื่อดูแลร่างกายเพราะร่างกายนี้มีค่าใช้ใจ่าย อ, อืมีบ้านถ้าไม่ได้เช่า อ, อก็ต้องมีค่าน้ําค่าไฟบ้านถ้าเช่าก็ต้องมีค่าเช่าอคถ้าถ้าซื้อก็ต้องผ่อนบ้าน คือการกระทำของเรานี่ส่วนหนึ่งก็ถูกบังคับให้กระทำเพราะเรามีร่างกายเราต้องดูแลร่างกายให้อยู่ได้เพราะอะไรเพราะเราต้องการจะใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆ พอเราดูแลร่างกายได้เรียบร้อยร่างกายพร้อมที่จะทำตามคำสั่งของเราเราก็สั่งให้มันไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปทำอะไรตามความอยากของเรา นี่ก็เป็นการกระทำการกระทำอันนี้เราทำเพราะเราอยู่เฉยๆแล้วไม่มีความสุขกันพอเราเลี้ยงดูร่างกายของเราเรียบร้อยแล้วอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวให้ร่างกายหาอาหารให้ร่างกายรับประทานแล้ว ถ้าอยู่เฉยๆมันก็จะหดหดลำคาญใจอยู่เฉยๆไม่เป็นถ้ามีงานทำก็ไปทำแต่ถ้าวันไหนวันหยุดไม่มีงานทำมันก็ต้องหาอะไรมาทำเพราะใจมันเป็นใจที่อยู่เฉยๆไม่เป็นอยู่เฉยๆแล้วหดหยดเป็นทุกข์ โบราณเขาว่าอยู่ไม่เป็นสุขใจนี่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะความอยากเพราะกิเลสกิเลสตัณหาความอยากอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายถ้าเป็นวันที่ไม่ต้องทำงานก็ไปเที่ยวกันไอ้ที่จะให้อยู่บ้านนี่ไม่มี อยู่แต่เฉพาะเวลาพักผ่อนหลับนอนแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วถ้าไม่ต้องไปทำงานก็จะต้องไปเที่ยวกันไปหาไปทำอะไรที่อยากจะทำไปเที่ยวไปช็อปปิง้งไปซื้อข้าวซื้อของไปดูภา พ, พยนตร์ไปฟังเพลงไปหาอาหารแปลกๆรับประทาน หาข้าต๋อมแปล ก, กมารับประทานนี่เคยกิจกรรมที่พวกเราทำกันอยู่อย่างต่อเ น, นื่องเพราะเราไม่รู้จักอยู่อย่างเป็นสุขอยู่แบบไม่ต้องทำอะไรอยู่จะมีสุขต้องทำอะไรถึงมีความสุขต้องดูต้องฟังต้องอะไรต่างๆ นการกระทำนี้มันก็ทำได้สองทางคือถ้าเราทำโดยที่เราไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นการกระทำ ท, ที่ไม่เป็นบาปเช่นเราทำงานเราก็ทำงานโดยที่เราไม่ไป ทำให้ผู้นเสียหายเดือดร้อนเราหาเงินทองด้วยการค้าขายด้วยการรับจ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทาที่ไม่เป็นบาปไม่มีไม่มีโทษกับจิตใจไม่มีโทษกับร่างกายแต่ถ้าเราไปหาเงินหาทองโดยวิธีทําบาปอาจจะเป็นเพราะเราตกงานหางานไม่ได้ เงินทองไม่พอใช้ไปขอทานก็ไม่ได้อะไรพอมีโอกาสที่จะขโมยลักทรัพย์หรือป้อนจี้ก็ทำไปพอทำแบบนี้แล้วทีนี้มีโทษตามมาแล้วโทษมาทั้งจิตใจกับร่างกาย แต่โทษที่มาทันทีก็มาที่ใจก่อนใจจะไม่สบายเวลาไปทำบาปเวลาไปลักขโมยหรือไปทำอะไรให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนใจก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาส่วนโทษทางร่างกายอาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารางก็ได้หรือ ถ้าหลบหนีได้ก็ยังไม่ต้องไปติดคุกติดตารางโทษทางร่างกายนี้ไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนคือโทษทางใจทำไปแล้วใจจะไม่สบายใจจะหวาดกลัวจะต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนซ่อนไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าเผชิญหน้ากับคนกลัวเขาจะรู้ว่าเราทำบาป ทำไม่ดี น, นี่ก็เป็นการกระทำอย่างหนึ่งที่เราอาจจะทำกันในชีวิตในแต่ละวันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับความต้องการถ้าเราอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนเราต้องการมากทำงานโดยสุดจริตรายได้ไม่พอใช้ เราก็หารายได้เสริมด้วยการทำบาปถ้าทำบาปแล้วก็จะเกิดปัญหาทางใจใจจะไม่สบายถึงแม้ว่าจะได้เงินทองมาใช้อาจจะสบายทางร่างกายถ้าอาหารไม่พอไปขโมยเงินมาก็มีเงินซื้ออาหารกิน ร่างกายสบายแต่ใจไม่สบายถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่พอใช้ก็ใช้มันน้อยลงไปพยายามจะไม่ไปทำบาปเพื่อไมอ่เพราะรู้ว่าทำบาปแล้วทำให้ใจไม่สบายไม่อยากจะไม่สบายใจยอมไม่สบายทางร่างกาย ดีกว่าไม่สบายทางใจก็อาจจะหักห้ามใจไม่ให้ไปทำบาปได้มีน้อยก็กินน้อยใครกินสามมื้อก็ลดแค่สองมือ้อใครกินสองมื้อก็ลดแค่มื้อเดียวถ้าใครกินมื้อเดียวก็กินวันเว้นวันไปดื่มน้ำเยอะๆหน่อยกินของฟรีน้ำสมัยนี้ก็ไม่ฟรีแล้วต้องเสียสมัยก่อนเนี่ย มีน้ำบ่อมีน้ำฝนสะอาดเพราะไม่มีควันพิษสมัยก่อนไม่มีรถยนต์มากมีแต่จักรยานมีแต่เรือพายอากาศจะสะอาดฝนตกลงมานี่น้ำฝนเดื่มรับประทานได้สมัยนี้เวลาลองน้ำฝนนี่น้ำฝนจะดำปีเพราะละอองอ่าท ฝนในอากาศมันมีเอควันพิษอะไรต่างๆอย่างนี้จึงไม่มีใครนิยมดื่มน้ำฝนกันละต้องซื้อน้ำขวดมาดื่มแต่ถ้ายากจนจริงๆก็ต้องก็เอาเพียงแต่ว่าเวลาลองน้ำฝนก็ลองตอนที่มันน้ำมันเริ่มสะอาดแล้วค่อยลองตอนตกใหม่ๆอย่าไปลอง ตอนตกใหม่ๆมันจะมีฝุ่นตะกอนมีฝุน่นมีควันมีอะไรเยอะแต่ถ้าฝนตกไปสักระยะหนึ่งแล้วอากาศมันก็จะสะอาดพอรองน้ำฝนตอนปลายมันก็จะได้น้ำฝนที่สะอาดถ้าทิ้งไว้ให้มันตกตะกอนท่านหน่อยก็สามารถที่จะเอามาดื่มถ้าเพื่อความปลอดภัยก็อาจจะต้องไปต้มซะหน่อย สมัยก่อนเขาจะดื่มน้ำกันเพื่อความปลอดภัยเขาต้มน้ำกันตปถ้าเชื้อเพื่อมีเชื้อโรคอยู่ <c oughs> ถ้าเป็นคนที่สุดจริตไม่ยอมทำบาปก็ต้องยอมอดยอมอดทนอดทนทางร่างกายเพราะอาจจะเคยถูกสอนไว้รลอได้เรียนรู้ว่าการทำบาปนี้มันมีโทษมากกว่า ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำบาปได้รับประโยชน์ทางร่างกายก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวเพราะร่างกายเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่ดีมีกินแล้วไม่มีกินไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายแต่ถ้าใจไม่ได้ทำบาปใจจะไม่ต้องไปรับโทษต่อนอกจากรับโทษในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้ว เวลาตายไปก็ยังต้องไปรับโทษต่ อ, อใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายบาปที่ทำไว้ยังติดอยู่กับใจอยู่บาปมันก็จะส่งผลให้กับใจให้มีความทุกข์ต่อไปเวลาที่ใจตายไปแล้วใจมีความทุกข์นี้เขาเรียกว่าใจไปอยู่ในอบาย <c oughs> อบายก็มีอยู่สี่ลักษณะเดรัจฉานเปรตอสูรกายนารกเนี่ยถ้าเป็นเดรัจฉานก็จะมีร่างกายของนกของแมวของสุนัขแทนที่จะได้มีร่างกายของมนุษย์ก็ไปมีร่างกายของสุนัขอยู่แบบสุนัขอยู่แบบขโมยสุนัข ก, ก็จะต้องขโมยอาหาร หรือฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเป็นอาหารใจที่ทำอย่างนี้ตอนที่เป็นมนุษย์ก็จะไปทำเป็นทำต่อในรูปของเดรัจฉานในร่างกายของเดรัจฉานไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็จะได้ความฝัน ความฝันที่ไม่ดีฝันว่ามีแต่เรื่องไม่ดีต่างๆฝันไปว่าไปเจอแต่ปัญหาไปเจอแต่ความอดอยากขาดแคลนหิวโหวยไปอยู่ที่ไหนก็หาอะไรกินไม่ได้ไม่มีอะไรให้กินอดอยากอันนี้ก็ฝันแบบก็เรียกว่าเปรต ถ้าฝันว่ามีแต่เรื่องน่าหวาดเสียวน่ากลัวต่างๆมีภัยรอบด้านคนนั้นจะมาทำร้ายเราสิ่งนั้นจะมาทำร้ายเราสัตว์ตัวนั้นตัวนี้จะมาทำร้ายเราฝันแต่เรื่องที่หวาดเสียวน่ากลัวก็เรียกว่าอสุรกายถ้าฝันด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเครียดแค้น อยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะฆ่าคนนี้แล้วก็ต้องฆ่าเขาแล้วก็ต้องคอยหลบคอยหนีเพราะเขาก็จะมาตามฆ่าเราฆ่ากันไปฆ่ากันมาฟันแต่เรื่องฆ่าฟันกันก็เรียกว่าเป็นนรกเนี่ยใจนี่แหละเป็นนรกเป็นเปรตเป็นนสุลกายโดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย อบายสามอย่างนี้ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเหมือนตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันไม่ดีเวลาไม่มีร่างกายก็เหมือนเรานอนหลับเวลาที่เรานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายแต่ใจเรายังเสพเรื่องราต่อผลิตเรื่องราวฝันด้วยความเป็นเป็นความฝันขึ้นมานี่คือ ผลของการทำบาปไม่ใช่จะรับผลแต่เฉพาะตอนที่มีชีวิตยอยู่เท่านั้นเวลาตายไปก็ยังต้องมีผลต่ออีกอแต่เราจะไม่รู้ว่าเราฝันเวลาเราฝันนี้เราคิดว่าเราเราอยู่ในเหมือนกับเราตื่น เราอยู่ในเหตุการ์เหมือนกับตอนที่เราตื่นนี่อย่างตอนนี้เราอยู่กับเหตุการ์ที่เราตื่นเวลาเราฝันเราก็คิดว่าเรากำลังตื่นเรากำลังอยู่กับเหตุการ์นั้นแต่ถ้าเราทำถ้าเราทาบาปเราก็จะฝันแต่เหตุการ์ไม่ดีต่างๆเห mm hmm. ตุการ์ <podcasts. S 1> ที่ทำให้เกิดความหิวโหยเหตุการ์ท <im> ี <im> ่ทำให้เก <im> ิดความหวาดกลัว <im> <im> <im> เหตุการณ์ที่เกิดให้เกิดความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมกันนี่เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาปคิดว่าต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าไม่กินก็ตายไม่ทําให้ฆ่าก็ตายไม่รักทรัพย์ก็อดก็เลยต้องไปทำนี่เรียกว่า เป็นใจเป็นเดรัจฉานไปเพราะเดรัจฉานเขาก็ทำอย่างนี้เขาอยู่เพราะเขาอยู่ได้ด้วยการฆ่ากันด้วยการแย่งกันแย่งกินกันถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอก็เป็นเปรตก็จะฝันแต่ เรื่องอดอยากขาดแกนมีเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าฝันด้วยความกลัวขณะมีชีวิตอยู่กลัวอะไรก็พยายามที่จะกำจัดมันกลัวมดกลัวแมลงกลัวงูกลัวอะไรก็กำจัดมันฆ่ามันทำลายมันเวลาตายไปก็จะฝันแต่เรื่องน่ากลัวต่างๆ มีเรื่องนั้นมาคอยทําลายเรามีสัตว์ตัวนั้นจะมาทําลายเรามาฆ่าเราก็เป็นอสุ ร, รกายอถ้าไปล้างแค้นไปฆ่าผู้อื่นไปทําร้ายผู้อื่นเพราะความอาฆาตพยาบาทใครพูดไม่ดีทําไม่ดีทําให้เราไม่พอใจก็ไปทําร้ายเขาอื เวลาฝันก็จะฝันกับจะฝันแต่มีแต่เรื่องของคนเ็าจะมาทำร้ายเราอันนี้ก็เป็นวิบากของการทำบาปที่เราทำกันโดยไม่รู้สึกตัวถ้าเราไม่ได้มาลริ่มเรียนจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกเราจะคิดว่าเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดา ทำไปตามความรู้สึกของเรานึกอยากจะได้อะไระถ้าต้องทำบาป ก, ก็ทำไปก็ต้องขโมยก็ขโมยต้องไปประพฤติผิดประเพณีก็ไปประพฤติผิดประเพณีต้องโกหกหลอกลวงก็โกหกหลอกลวงกันเพราะคนที่ทำนี้ไม่เห็นผลที่จะตามมา ผลที่จะตามมาอย่างมากก็คือทางร่างกายถ้าทำบาปไปทำร้ายผู้อื่นเขาก็อาจจะมาทำร้ายเราก็เห็นแค่นี้เท่านั้นเองแต่ไม่เห็นผลที่จะตามมาหลังจากที่ตายไปแล้วเพราะไม่รู้ว่ามีส่วนที่ไม่ตายคิดว่าเวลาที่ร่างกายตายไปชีวิตก็จบตรงที่ลมที่ร่างกาย พอไม่มีร่างกายก็ไม่มีใครไปรับผลของการกระทำบาปต่อไปนี่คือการกระทำที่คนเราชวนทำกันทุกวันถ้าเราเป็นคนที่มีบุญแล้อมีความมีโชคที่มาเกิดในครอบครัว ที่ดีที่มีฐานะการเงินการทองอยากได้อะไรก็ไม่ต้องไปขโมยไม่ต้องไปทำบาปหรือถ้าเรามีความฉลาดมีความสามารถเวลาทำมาหากินก็หาได้เงินทองได้มากกว่าที่เราจะต้องใช้บางทีเราก็เอาไปทำบุญเอาไปแบ่งให้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่น อันนี้ก็เป็นการทำบุญบุญก็ดีเป็นมีแต่มีแต่คนไม่มีโทษขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาทำบุญใจก็มีความสุขมีความอิ่มมีความพอเวลาใจตายไปร่างกายตายไปใจก็จะฝันดีอยู่กับความฝันดีฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่น ได้ไปดูอะไรได้ไปฟังอะไรได้ไปกินอะไรไปได้ไปดื่มอะไรคนที่ทําบุญนี้จะมีแต่เรื่องดีๆให้เสพเวลานอนหลับหรือเวลาตายไปเวลานอนหลับก็ตายชั่วคราวเวลาตายก็ตายก็นอนหลับยาวเวลาตายจริงก็นอนหลับยาวเวลานอนหลับก็ตายชั่วคราวหลับชั่วคราว แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะได้ร่างกายอันใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่พอตื่นขึ้นมาแล้วมีร่างกายอันใหม่ก็มานาหน้าที่ใหม่มามาทำหน้าที่ดูแลร่างกายอันใหม่ต่อนี่คือการกระทําของพวกเราที่เราทำกันมาอยู่เป็นเวลาอันยาวนานเป็นกลับเป็นกัน ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ระหว่างที่ก่อนจะไปเกิดใหม่ก็ฝันดีฝันร้ายไปถ้าทำบาปก็ฝันร้ายถ้าทำดีก็ฝันดีแล้วพอได้ร่างกายอันใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็มาทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายถ้าเกิดในครอบครัวที่ยากจนก็อาจจะไปทำบาปเพื่อเลี้ยงดูร่างกาย ถ้าเกิดในครอบครัวที่ดีไม่มีเงินมีทองไม่ต้องไปทําบาปก็ไม่ต้องไปทําบาปถ้ามีเงินทองมากก็มีโอกาสได้ทาบุญก็จะได้ทาบุญนี่คือเรื่องของจิตใจของสัตว์โลกทั่วๆไปจะเป็นอย่างนี้จะเกิดมาแล้วก็ทําบา บ, บ้างทาบุญบ้าง ตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็ได้มากลับมาเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่จนกว่าจะมาพบกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านก็จะบอกเรื่องราวของเราว่าเรากําลังเป็นอย่างไรอยู่เรากําลังทําอะไรอยู่และเราสามารถที่จะหยุดการกระทําเหล่านี้ได้ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอาพอมีร่างกายแล้วก็ต้องคอยดูแลมันเลี้ยงดูมัน แล้วก็ยังต้องมาทุกข์กับมันเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายถ้าไม่อยากจะมีร่างกายพระพุทธเจ้ารู้วิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องมีร่างกายกันวิธีที่จะทำให้เราไม่มีร่างกายก็คือเราต้องเลิกพึ่งร่างกายนั่นเองถ้าเราต้องพึ่งร่างกายเราก็ต้องมีร่างกายไปเรื่อย ตอนนี้เราพึ่งร่างกายเราต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายเพราะเราจะมีความสุขได้เราต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผธภพมาให้เสพนั่นเองเราจึงต้องมีร่างกายเพราะเรามีความสุขจากการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดภ พ, พมีความสุขจากการได้เป็นนั่นเป็นนี่ เวลาได้เป็นใหญ่เป็นโตนี่ทุกคนยิ้มทุกคนชอบใช่ไหมได้เป็นเจ้านายนี่กับเป็นลูกน้องนี่จะเอาอย่างไหนได้เป็นหัวหน้ากับเป็นลูกน้องนี่จะเอาอย่างไหนไข่ไข่ก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตใข่ๆก็อยากจะได้รับารางวัลได้รับคําชมเชยทําควาทํางานมีผลงานดีเขาก็ให้รางวัลไม่ว่าจะอยู่ใน ในในสังคมไหนถ้าอยู่ในสังคมภาพยนตร์เขาก็มีตุ๊กตาทองแจกกันถ้าอยู่ในสังคมกีฬาเขาก็มีเหรียญทองแจกกันพอได้เหรียญทองได้ตุ๊กตาทองก็โอ้ยมีความสุขกันเลี้ยงกันกินกันเดิมกันนี่คือเหตุผลที่ทําให้เราต้องมีร่างกาย เพราะเรายัางอยากเสบรูปเสียงกลิ่นนสดยังอยากเสบลาบยศจะละเสริญเวลาถูกหวยนี่โอยดีใจลอตเตอรี่ออกมีเงินใช้กันสนุกอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าซื้อมือถือเครื่องใหม่ซื้อลรถคันใหม่อยากจะซื้ออะไรมีเงินเงินนี้เหมือ น, เ ป, นเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกสามารถเนรมิต สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้อยากไปเมืองนอกเมืองนาก็ไปได้มีเงินตีตั๋วซื้อเครื่องบินตีตั๋วเครื่องบินก็ไปได้ทุกคนยังอยากจะมีลาบกันอยากมียศกันพอมีตำแหน่งแล้วทีนี้ก็สั่งคนนั้นสั่งคนนี้ได้สั่งให้คนนั้นทำอย่างนั้นสั่งให้คนนี้ทำอย่างนี้ได้มีอำนาจ พอเป็นใหญ่ก็มีอำนาจพอได้รับรางวัลก็มีเกียรติมีหน้ามีตาใครเห็นก็โหยทักทายอยากจะรู้จักอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือเหตุที่ทําให้พวกเราต้องมามีร่างกายกันเพราะเราอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดผลธรรมะมาให้ความสุขกับเรา แต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเท่านั้นเองมันเป็นของชั่วคราวมันจะจบตอนที่ลาลาล่างกายนี้ตายหรือบางทียังไม่ทันตายมันก็จบไปก่อนก็มีได้เงินมาใช้ไปไม่กี่วันเพิ่บหมดแล้วพอหมดแล้ ว, ลวความสุขที่ได้จากเงินทองก็หายไปแล้วนี่ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีเงินทองก็เข้ามาแทนที่ นี่คือส่วนที่เรามองไม่เห็นหรือเราไม่ยอมมองกันเราไม่เห็นว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี้เดี๋ยวมันจะพลิกกลับมาให้ความทุกข์กับเราเราไม่เห็นกันเราไม่เห็นว่าเงินทองเวลามันหมดเป็นยังไงเวลาหมดก็รีบหาใหม่ไม่ให้มันหมดหมดไม่ได้หมดแล้วต้องฆ่าตัวตาย นั่นะเวลามันหมดมันจะทำให้เราทุกข์จนถึงกับที่อยากฆ่าตัวตายแล้วเราก็ไปสั่งให้มันไม่หมดไม่ได้วันดีคืนดีมันจะหมดก็หมดเศรษฐียังล้มละลายได้ทำมาหากินทำอะไรผิดพลาดไปลงทุนผิดพลาดไปลงทุนไปหมดทำแล้วไม่กำไรขาดทุนอย่างเดียวต้องปิดบริษัทไป เป็นนี่เป็นศิลป์อันนี้เกิดขึ้นได้แต่เราไม่คิดกันเราคิดว่าจะไม่เกิดเพราะเราไปหาพระเราไปขอพอรจากพระแล้วพระให้พรมาแล้วพระรับประกันแล้วว่าต้องรวยอย่างเดียว <laughs> จึงนิมนต์พระชอบนิมนต์พระไปสวดที่บ้านเลยให้พระไปรับประกันว่าจะต้องรวย จะต้องเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญจเจริญด้วยความสุขแต่ไม่มองดูว่าล้าพระตัวพระเป็นยังไงพระก็มีแต่ยากจนขอเขากินทุกวันเราจะมารับประกันให้รวยได้ยังไงไม่คิดกันมากแล้วไม่คิดว่าทาไมพระถึงเลือกทางอยู่แบบยากจนเพราะพระไม่อยากจะมาทุกข์เหมือนพวกเราสิ พอถ้ารวยแล้วเดี๋ยวมันตอนต้องทุกข์แล้วทุกข์ด้วยเขากังวลกลัวมันจะหมดนะหรือถ้ามันรวยน้อยกว่าคนอื่นก็เสียหน้าเขาอีกเออรวยแล้วบางทีก็ยังทุกข์ได้พอคนอื่นเขารวยกับเราเราก็ทุกข์แล้วน้อยหน้ากว่าเขาพระนี่คิดเป็นคิดว่าลาบยศสะรเสริญรูปเสียงกล่นรถนี้มัน มีทุกข์ด้วยไม่ใช่มีแต่สุขอย่างเดียว เ, เวลาทุกข์นี้มันทรมานมากฉะนั้นไม่อยากจะไปเจอทุกข์แบบนี้ก็เลยอยู่แบบไม่มีลาบยศสรรเสริญ เ, เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นต้นฉบับของการอยู่แบบพระพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นใหญ่เป็นโต เ, เป็นราชกุมารามีลาบยศสรรเสริญมี เงินทองเข้าของมีประสาทสามฤดูมีลูกน้องบริษัทบริวารมาคอยรับใช้ตลอดย4บสี่ชั่วโมงสามารถจัดงานเลี้ยงได้ทุกคืนจัดงานเลี้ยงจัดงานบันเทิงอะไรต่างๆได้ทุกวันทุกคืนก็ทรงมีความสุขไปอยู่พักหนึ่งแล้ววันหนึ่งก็ อยากจะไปดูว่าข้างนอกปราสาทเป็นอย่างไรก็รออกไปดูนอกปราสาทมันเป็นคนละโลกกันเลยในปราสาทนี้พระราชบิดาห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้ามาในปราสาทเลยไม่เคยเห็นว่าคนเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพ อ, ออกไปอยู่นอกไปนอกกำแพงปราสาทออกไปชมเมืองไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย เห็นนักบวชเห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วพอรู้ว่าต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปร่างกายของพระองค์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระองค์ก็เลยเห็นว่าอ๋ต่อไปมันจะต้องทุกอย่างเดียวแล้วเห็นนักบวชก็ทราบว่านักบวชเขาทำอะไรนักบวชเขาอยู่แบบไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญ อยู่แบบที่สามารถที่จะมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญก็เลยทําให้พระ อ, องค์มีความส่วนหนึ่งก็มีความหวาดกลัวต่อสภาพของร่างกายที่ของพระ อ, องค์จะเกิดที่จะต้องเกิดต่อไปหวาดกลัวกับความแก่กับความเจ็บความตายแล้วก็มีมีความหวังอยู่อีกเด็ก จากการได้เห็นนักบวชว่าสามารถที่จะอยู่แบบไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญได้สามารถที่จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพระองค์ก็เลยมีความปรารถนาที่อยากจะไปหาความสุขแบบนั้นความสุขแบบนักบวช พอมีเหตุการณ์ที่จะทําให้ต้องไปบวชก็เลยต้องไปเพราะอยู่ต่อไปแล้วจะไปไม่ได้เพราะมาเหพระมาเหสีคลอดลูกออกมาถ้าถ้าอยู่ต่อไปก็จะรักลูกห่วงลูกทิ้งลูกไปไม่ได้ก็เลยต้องตัดสินใจในะคืนนั้นว่าจะเอาอย่างไงดีจะอยู่ไปจนแก่เจ็บตายหรือว่าจะไป อยู่แบบนักบวชอยู่แบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสก็เลยตัดสินพระทัยว่าต้องไปแบบนักบวชเพราะมันจะทุกน้อยกว่าหรือจะไม่มีทุกเลยแต่ถ้าอยู่ในวังต่อไปเดี๋ยวเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะทุกข์ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเห็นโทษของการพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมีร่างกายเราก็จะหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายได้แต่พอร่างกายเป็นอะไรไปเราก็จะไม่สามารถหาได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์ เห็นคนที่อายุร้อยแปดร้อยี่ปียังมีความทุกข์แกแต่ไปหาแฟนไม่ได้แล้วนอนกับแฟนก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่มีแรงไปเที่ยวมีแต่โครคภัยไข้เจ็บลุมเล้าอยู่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่อยากจะอยู่ปัญหาตัวตายตายแล้วมั่งไปนี่ตายหรือยังไม่ทราบนะตายแล้วเหรอเห็นไม ทุกจนกระทั่งไม่อยากจะอยู่ไม่มีใครอยากตายเหล่าแต่เมื่อมันอยู่แล้วมันไม่สุขมันเลยไม่อยากจะอยู่มันก็เลยอยากตายกันนี่ตอนคนนี้ไม่เคยเจอพระพุทธศาสนาถ้าได้อ่านได้ศึกษาพระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นหนุ่มอาจจะไปบวชก็ได้ก็จะไม่ต้องมาฆ่าตัวตายอายุร้อยสียังเป็นหลวงปู่หลวงตาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาได้อยู่ เห็นไหมพระแก่ขนาดไหนท่านก็ไม่คิดจะฆ่าตัวตายท่านมีจิตผ่องใสจิตใจมีความสุขเพราะจิตใจของท่านไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขท่านมีธรรมะเป็นเครื่องมือพระพุทธเจ้าก็เลยไปหาธรรมะไปศึกษาธรรมะไปปฏิบัติธรรมะ เพื่อให้จิตใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายแต่สมัยนั้นเขาก็หาความสุขได้แบบชั่วคราวคือเวลาที่เขานั่งสมาธิทําใจให้สงบกันจิตก็มีความสุขกันทําได้เท่านั้นแต่พอออกจากสมาธิมาพอจิตเขาคิดจิตเขาอยากอะไรขึ้นมาจิตก็ทุกข์ขึ้นมาอีก พอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ยังทุกข์อยู่จะไม่ทุกข์ก็ต้องเข้าไปในสมาธิเท่านั้นถึงจะไม่ทุกข์ไม่รู้ว่าทาไมถึงต้องมาทุกข์กับร่างกายทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายมีพระพุทธเจ้าไปศึกษากับใครก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ก็ะไรต้องไปค้นคว้าหาดูเอาเองว่าอะไรทำให้ใจต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็พบว่าเพราะความอยากอยากอยู่อยากอยู่ไปนานๆอยากไม่ไม่อยากตายกันเพราะไม่รู้ว่าตนเองไม่ได้เป็นร่างกายคิดว่าตนเองเป็นร่างกายคิดว่าถ้าร่างกายตายไปตนก็จะต้องตายไปกับร่างกาย แต่ตอนหลังพระองค์สามารถแยกตนเองออกจากร่างกายได้แยกผู้รู้ผู้คิดออกจากร่างกายได้เมารู้ว่าร่างกายตายไปผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้รู้ผู้คิดก็ยังอยู่พระองค์ก็เลยเกิดความรู้เข้ามาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยง มันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ไม่มีใครห้ามมันได้ไม่ต้องที่ทุกข์ก็เพราะว่าอยากจะไปห้ามมันอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอทีนี้รู้แล้วว่าร่างกายห้ามไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผู้ที่ทุกข์กับมันไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วไปทุกข์กับมันทาไมทุกข์เพราะไปหลงคิดว่าเป็น ผู้รู้ผู้คิดคิดว่าผู้รู้ผู้คิดเป็นร่างกายเป็นอันเดียวกันพอรู้ว่าเป็นคนเราคนกันผู้รู้ผู้คิดไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ปล่อยให้มันตายไปเท่านั้นเองห้ามมันไม่ได้เมื่อรู้ว่าห้ามมันไม่ได้แล้วรู้ว่าที่ทุกข์ก็เพราะอยากให้มันไม่ตายอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บก็หยุดความอยากนี้เท่านั้นเอง มันแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันตายก็ปล่อยมันตายไปการจะปล่อยร่างกายได้ก็ต้องไม่ใช้ร่างกายต้องไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยเด็ดขาดพวกที่นั่งสมาธิได้เวลาเข้าสมาธิก็ไม่ต้องใช้ร่างกายแต่เวลาออกมาบางทียังใช้ร่างกายต่อบางทียังอยากจะดื่มกาแฟยังอยาก กินขนมยังอยากจะไปนู่นมานี่อยู่ก็ยังต้องใช้ร่างกายอยู่พอรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะยังอยากยังเดิมอยากดื่มกาแฟยังอยากดื่มน้ำชายังอยากรับประทานขนมยังอยากจะอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้อยู่ถ้ายังมีความอยากอยู่มันก็ยังทาให้ทุกข์ได้อยู่ ดน้นต้องตัดหมดตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้หาความสุขจากการอยู่แบบไม่มีความอยากอยู่กับความสงบหยุดความอยากอยากอะไรก็ต้องหยุดมันพระพุทธเจ้าก็เลยท่งค้นพบวิธีที่จะอยู่แบบไม่ทุกขเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากเพี้ยนแต่อยากให้เสียงนกนี้หยุดร้องมันก็ทุกข์ได้นะพอมันร้องมันลำคานใจนี่ก็แสดงว่าทุกข์แล้วเพราะไม่อยากจะฟังเสียงนกพอเกิดความลาคาญใจนี้แปลว่าทุกข์แล้วได้ยินเสียงใครพูดอะไรอาจจะทุกข์ขึ้นมาได้นะต้องหยุดหมดต้องหยุดความอยากต่างๆหมด ต้องอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบไม่ทุกข์ใครจะชมก็ก็ปล่อยเขาชมไปใครจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปชมก็ไม่ดีใจด่าก็ไม่เสียใจใครจะทุบตีร่างกายก็ท่านหนบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ก็ยอมให้เขาทุบตีไปก็คิดว่าเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายเป็นไข้ก็เหมือนกับถูกคนเขาทุบตีนะปวดร้าวไปทั่วร่างกาย พอเข้าใจหลักแล้วว่าทุกเพราะเราอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วก็ทุกข์เวลาที่หาความสุขทางร่างกายแล้วไม่ได้ความสุขได้สิ่งที่เราไม่อยากได้มาก็ทุกข์อยากจะได้ความสุขอยากจะได้คําชมแต่พอได้คําด่าก็ทุกข์ขึ้นมาอีกก็เกิดจากความอยาก อยากจะได้ความสุขจากการชมแต่ไม่อยากจะได้คำดา่าอันนี้ก็ต้องหยุดความอยากชมก็ได้ด่าก็ได้จะทุบตีก็ได้ไม่ทุบตีก็ได้ใคจะทำอะไรกับร่างกาย่อวมันทำไปเราไม่ต้องพึ่งมันเราอย่าไปอาศัยมันเราทำใจให้เฉยเฉยทำใจอย่าให้อยากกับอะไรแล้วเราจะปลอดภัย ใจเราจะสงบใจเราจะเย็นจะสบายถึง แ, แม้ว่าร่างกายนี้จะเป็นไข้ร้อนเป็นเฟินเป็นไฟเหงื่อแตกเวลาเป็นไข้ขึ้นมาใจสงบใจไม่มีความอยากให้ร่างกายหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี้ใจจะเย็นเหมือนก้อนหินในกองไฟ เ, เหมือนก้อนน้ำแข็งในกองไฟคิดดูก้อนน้ำแข็งถือแม่จเจาไว้ในกองไฟมันก็ยังเย็นอยู่ เพีงแต่มันจะเย็นไม่นานเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ต้องละลายไปแต่ขนะที่มันยังไม่ละลายมันก็เย็นใจที่ไม่มีความอยากกับอะไรกับร่างกายร่างกายจะเป็นร้อนเป็นอะไรเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาใจก็เย็นเพราะใจไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปพระพุทธเจ้าก็เลยทรงคนพบว่า ถ้าไม่อยากจะกลับมามีร่างกายก็ต้องหยุดใช้ร่างกายหยุดความอยากต่างๆที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีความอยากใช้ร่างกายแล้วก็วไม่ต้องมีร่างกายและร่างกายที่มีก็ไม่เดือดร้อนกับมันมันจะเป็นยังไงก็ไม่เดือดร้อนกับมันที่เราเดือดร้อนเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นอยากจะให้มันดีไปตลอดพอมันไม่ดีเราก็ ทุกขึ้นมาทุกจนทนไม่ไหวก็เลยอยากให้มันหายไปพอร่างกายไม่ดีแล้วทีนี้ก็ไม่อยากจะมีมันแล้วก็อยากจะฆ่ามันอยากจะทําลายมันไปนี่คือเรื่องของเราเรื่องนี้ที่เราไม่มีใครรู้อถ้าไม่ได้เจอมาเจอพระพุทธเจ้าก็ดีเจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคําสอนก็ดี หรือพระอริยสงสาว ก, ก็ดีเราจะไม่รู้ว่าเรามาเกิดได้ยังไงแล้วตายไปแล้วเรากลับมาเกิดใหม่ได้อย่างไรเราจะไม่รู้เร า, เราอาจจะไม่รู้เสียด้วยซ้าไปว่าเราจะกลับมาเกิดใหม่เราเพราะเรามองไม่เห็นว่าเราเป็นใครเรามองเห็นร่างกายว่าเป็นเราแล้วเวลาร่างกายตายไปมันจะกลับมาเกิดใหม่ได้ยังไง ร่างกายตายไปมันก็กลับกลายเป็นขี้เท่าไปแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกายหาความสุขพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ท่นไปหาเสียงใครดังขึ้นมาอ๋อไม่เป็นไรหอนเมื่อกี้ตัวนะบางทีตัวไหนมันอาจจ ะ, ะคึกคักขึ้นมาหน่อย ดังขึ้นมาหรือใครไปเปิดเสียงในปล่ า, าไม่รู้ทางด้านหลังไม่เวลาหยุดละเขาเขาจะมีคนไปจับเล่นมั้งพอไปจับเล่นพอมันดังขึ้นมันก็เลยหอนออเหมือนกับของใช้ต่างๆเนี่ยถ้าเราต้องใช้มันเราก็ต้องใช้มันไปเรื่อยๆอตอนนี้เราต้องใช้โทรศัพท์มือถือกัน ถ้าเกิดมันเสียเราจะเปลี่ยนเราจะไปหาเครื่องใหม่หรือไม่หาเครื่องใหม่ต้องหากันใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นชีวิตของเราแล้วเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วขาดมันไม่ได้นะขาดมันก็เหมือนกับขาดแขนขาดขาไปแล้ะแต่เมื่อก่อนเราไม่มีมือถือทำไมเราอยู่กันได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย แต่เรามาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราอะไรก็ต้องใช้มันต่อไปแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราสามารถหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเรามาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้มันหมดไปอย่าไปทําตามความอยากต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างการไม่ได้ทําตามความอยากนี่ เป็นความสุขมากกว่าได้ทําตามความอยากเสอีกเวลาใจไม่มีความอยากนี่ใจสงบมีความสุขเวลาที่เราทําสมาธิก็เป็นการหยุดความอยากชั่วคราวพอใจสงบความอยากหยุดทํางานความคิดหยุดทํางานใจก็มีความสุขมีความสุขดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆตามความอยาก พอเรารู้แล้วว่าเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็เลิกความอยากต่างๆได้แต่ตอนต้นนี้เราต้องให้พบความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก่อนเราจึงต้องฝึกสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิเราเลิกใช้ร่างกายไม่ได้เลิกใช้เลิกความอยากต่างๆไม่ได้เพราะเวลามันมีความอยากแล้วมันทรมานใจ จะหายก็ต่อเมื่อเราไปทำตามความอยากอยากดื่มกาแฟนี่พอไม่ได้ดื่มแล้วมันหงุดหงิดลำคาญไปเรื่อยๆแต่พอได้ดื่มปั๊บความหงุดหงิดลาคาญใจหายไปอยากดื่มอยากสูบบุหรี่ก็เหมือนกันอยากไปเที่ยวก็เหมือนกันเวลาเกิดความอยากแล้วมันทรมานใจถ้าไม่ได้ทำตามความอยากพอได้ไปทำตามความอยากแล้วมันก็จะหาย แต่ถ้าเรามีสมาธิเราทำสมาธิเป็นพอเกิดความอยากขึ้นมาเราบอกว่าเราไปนั่งสมาธิดีกว่าไม่ไปทำตามความอยากดีกว่าเพราะไปทำตามความอยากเดี๋ยวมันก็ต้องทำอยู่เรื่อยถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหายไปหมดกำลังไปนะเราต้องมีสมาธิก่อน เวลาใจเราทุกจากความอยากเราก็หยุดมันด้วยสมาธิใช้สติหยุดมันพอหยุดความอยากได้ใจก็สงบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปทำตามความอยากสมาธิจึงสำคัญมากต่อการที่จะกำจัดความอยากถ้าไม่มีสมาธินี้กำจัดไม่ได้แต่สมาธิอย่างเดียวก็ก็กำจัดแบบถาวอนไม่ได้ เพราะสมาธิไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นอันตรายผู้ที่รู้ว่าความอยากนี้เป็นอันตรายก็คือปัญญาปัญญาจะพิวิเคราะห์ว่าเวลาเกิดความอยากแล้วใจสัน่นมือไม้สัน่นแล้วถ้าไปทําตามความอยากเพื่อแก้ความสั่นของใจของมือของไม้มันก็แก้ได้ชั่วคราวเวลาทําตามความอยากมันก็หายสัน่น แต่เดี๋ยวความอยากใหม่มันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกแล้วถ้าไปได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วเกิดสิ่งนั้นมีปัญหาเราก็ทุกข์กับมันอีกนี่คือปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันจะมันจะกลายเป็นปัญหาต่อไปเพราะสิ่งที่ได้มามันจะไม่ดีไปตลอดมันจะดีตอนต้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนไป ของใช้ซื้อมาใหม่ๆนี่ใช้ได้ดีใช้ไปสักพักเดี๋ยวเริ่มเสียแล้วเสียตรงนั้นเสียตรงนี้นี่คือปัญญาต้องเห็นว่าทำไมเราไม่เราอย่าไปทําตามความอยากเพราะสิ่งที่เราอยากได้นอกจากจะให้ความสุขกับเราแล้วมันจะให้ความทุกข์กับเราและเป็นความทุกข์ที่หนักกว่าความสุขที่เราจะได้ถ้าเราไม่ได้มาเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับเขา เช่นน้นเราไม่มีแฟนเราก็ไม่ต้องทุกข์กับแฟน <Yeah. S 1> เวลามีแฟนก็ดีใจตอนที่ได้กันใหม่ๆ yeah. แต่เดี๋ยวเกิดทะเลาะ ก, กันขึ้นมาก็ทุกข์ละ yeah. เดี๋ยวเกิดแฟนไปมีชู้มีแฟนใหม่ที่ไหนก็ทุกข์ละสิ yeah. <Yeah. S 2> หรือแฟนดีแต่เกิดอุบัติเหตุตายจากเราไปก่อนก็ yeah. Yeah. ทุกข์อีกทุกข์เพราะมีแฟน yeah. ถ้าไม่มีแฟนก็ไม่ทุกข์ yeah. Yeah. ถ้ามีปัญญาก็ไม่เอาดีกว่าความสุขที่ได้หายไปหมดนะเวลาเวลาความทุกข์มันตามมาเนี่ยความสุขที่ได้จากการแต่งงานได้จากการไปเที่ยวกันอะไรกันพร้อมมีความทุกข์ตามมานี่ความสุขต่างๆเราวนะี่หายไปหมดมาช่วยเราไม่ได้ความสุขที่เราได้จากแฟนนี้มาช่วยดับความทุกข์ที่เราได้จากแฟนไม่ได้นะเห็นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์เหล่านี้ก็อย่าไปมีแฟน สรุปแล้วก็คือมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีเสมอเพราะสิ่งที่เรามีมันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องหมดงั้นอย่าไปมีดีกว่าแต่ขณะที่อยากมันก็ทรมานถ้าอยากจะดับความทรมานใจนี้ก็ต้องมีสติมีสมาธิทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบ พ, พุทโธพุทโธไป หยุดความอยากได้หยุดความคิดได้ความทุกข์ก็จะหายไปความท้อทรมานใจก็จะหายไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลับมาอีกอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาคือเหตุผลว่าทําไมเราไม่ควรทําตามความอยากถ้าเราทําสมาธิอย่างเดียวเราจะไม่รู้เราจะรู้ว่าเวลาเราพุโทโธพุโทโธแล้วจิตนิ่งเราสงบมีความสุข แต่เราไม่รู้ว่าความสุขของเราเกิดจากอะไรความสุขของเราก็เกิดจากการที่ใจหยุดคิดหยุดอยากไปชั่วคราวเท่านั้นเองแต่พอใจออกจากสมาธิมาถ้าไม่คุมมันดีๆเดี๋ยวมันก็อยากแล้วพออยากแล้วใจก็เริ่มหุ่นวายขึ้นมาแล้วอันนี้ต้องใช้ปัญญาสังเกตถึงจะเห็นว่าตัวที่ก่อกวนจิตใจเราอยู่เรื่อยๆตัวที่ดึงให้เราไปทุกข์กับเรื่องต่างๆก็คือความอยากนี้เอง นี่คือปัญญาที่พอเรารู้แล้วว่าตัวอะไรเป็นตัวปัญหาเราก็คอยกำจัดมันตัวที่ไม่เป็นปัญหาเราก็ไม่ต้องกำจัดความคิดอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องอื่นทำอะไรก็ได้ถ้าเราไม่ได้ทำตามความอยากมันไม่เป็นปัญหาถ้าเราทำด้วยเหตุด้วยผลไม่เป็นปัญหาคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าเราทำด้วยเหตุด้วยผลถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นความอยาก หรือทาเพราะมีความจําเป็นต้องทำํำร่างกายไม่สบายต้องกินยาก็กินไปแต่ไม่ได้กินด้วยความอยากกินก็กินไปทําหน้าที่เลี้ยงดูแลร่างกายไปมันจะหายไม่หายในอยากไปอยากถ้าอยากแล้วจะเป็นความอยากขึ้นมาเป็นกิเลสเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้ากินยาแล้วไม่หายก็จะทุกข์ แต่ถ้าเรากินตามหน้าที่ตามหมอสั่งหมอให้สั่งให้กินก็กินหายก็หายหายไม่หายก็หาวิธีใหม่รักษาไปอย่างนี้ก็ทำได้แต่ไม่เป็นความอยากไม่เป็นความทุกข์นี่นี่คือปัญญาเราต้องรู้จักแยกแยะว่าการกระทาอย่างไหนเป็นโทษอย่างไหนเป็นความอยากอย่างไหนไม่เป็นความอยากแล้วความอยากนี้มันเป็นภัยกับจิตใจของเรา เพราะหนึ่งมันจะทำให้ใจเราไม่สบายพอมันโผล่ขึ้นมาสองสิ่งที่เราไปหามาัมนก็จะทำให้เร า, เาไม่สบายหรือทุกข์ไปกับมันอกีกเวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสียไปก็จะเสียใจแต่ถ้าไม่มีมันก็จะไม่เสียใจมันจะไม่มันจ ะ, นจะเพราะมันจะไม่มีอะไรต้องเสียใจพอมีอะไรแล้วต้องต้องจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เรามี ใชมมีเงินก็เสียใจกับเงินเวลาเงินหมดเสียใจไมไออมีตำแหน่งเวลาถูกตดเสียใจมไหอ ม, มีอะไรพอเสียมันไปแล้วจะต้องเสียใจจะต้องทุกข์ใจแต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียมันก็จะไม่มีอะไรจะต้องทำให้เราทุกข์ใจดังนั้นเราต้องมาหยุดความอยากต่าง ความอยากมีอะไรอยากไปอ ย, กอยากไปอยากมีแต่ถ้ามันมาเองไม่เป็นไรอยู่ดีๆเขาเอามาให้อยู่ดีๆเอาเงินมาให้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ยินดีกับมันมาก็มาถ้าจะมีเหตุให้ใช้ก็ใช้แต่ไม่ได้ใช้ด้วยความอยากถ้าไม่มีหให้ใช้ก็ให้คนอื่นไปเอาไปทำบุญต่อให้คนอื่นไปอันนี้ก็ไม่มีปัญหาถ้ารู้จักใช้เงินมันก็ ถ้าใช้เงินด้วยความอยากมันจะมีปัญหาเพราะมันอยากจะใช้อยู่เรื่อยๆและอยากจะให้มันไม่หมดแต่มันไม่มีวันหรอกถ้าใช้เรื่อยๆมันก็ต้องหมดใช่ไหมถ้าไม่อยากให้มันหมดก็อย่าไปใช้มันเลยมันรับรองได้ไหมไม่มีวันหมดเก็บไว้ในธนาคารนั่นหละมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันไม่อย่างนั้นยมันมีแล้วก็อยากจะใช้กันแล้วเวลาอยากจะใช้แล้วแต่ไม่อยากให้มันหมด พอมันหมดก็ทุกข์ขึ้นมาอีกเนี่ยความอยากเนี่ยอันนี้ต้องใช้ปัญญาคิดอยู่บ่อยๆคิดถึงโทษคิดถึงเรื่องราววุ่นวายเรื่องความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากแล้วมันจะทําให้เราไม่อยากไม่กล้าอยากไม่อยากดีกว่าเออยู่กับอยู่คนเดียวแบบไม่มีอะไรดีกว่าสบายใจกว่าเอไม่วุ่นวายไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวงอะไรเ ถ้ามีแล้ววุ่นวายต้องกังวลต้องห่วงต้องห่วงต้องเสียใจเวลาเสียไปนี่คือปัญญาต้องเห็นโทษของการของความอยากและเห็นโทษของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่ามันมันได้มาได้ไม่คุ้มเสียความสุขที่ได้นี้มันไม่คุ้มกับความทุกข์ที่เราได้มาด้วยนี่คือปัญญา สมาธิจะไม่เห็นสมาธิจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ต้องใช้ปัญญาคิดที่บอกให้พิจารณาเนี่ยพิจยาปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาความทุกข์ของสิ่งต่างๆเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับหือแล้วเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่เกิดไม่ดับไม่ได้สั่งให้มันเกิดอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้มันไม่ดับไม่ได้ มีอะไรเกิดแล้วมันต้องมีดับคนที่มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นอย่างนี้มีอะไรเกิดแล้วก็จะต้องมีดับพอดับแล้วมันก็ทุกข์เวลาเกิดก็สุขใช่มเวลาแต่งงานก็สุขเวลาอยากันก็ทุกข์เวลาตายจากกันก็ทุกข์นี่ต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นต้องพิจารณาปัญญาไม่โผล่ขึ้นมาเองไม่โผล่จากสมาธิสมาธิกับปัญญานี่คนละหน้าที่กัน สมาธิมีหน้าที่หยุดความอยากหยุดจิตพักจิตทําจิตให้สงบให้มีความสุขแต่สมัยสมาธิไม่รู้ว่าความอยากนี้ร้ายกาจอย่างไรเร็วล้ายอย่างไรไม่รู้ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้มาวิเคราะห์ถึงจะรู้ดังนั้ต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเพราะต่างคนต่างทาหน้าที่กันเหมือนเรามีมือซ้ายมือขวานี้เรา มีมือเดียวกับมีสองมือนี่อันไหนยากดีกว่ากันขับรถมือเดียวกับขับรถสองมือนี่อันไหนดีกว่ากันใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราจะกำจัดความทุกข์ต่างๆได้เนี่ต้องมีสองอย่างมีอย่างเดียวกำจัดไม่ได้มีปัญญาไม่มีสมาธิ HH, ก็กำจัดไม่ได้รู้ว่าความอยากไม่ดีแต่ไม่มีกำลังหยุดมันถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกาลังหยุดมัน ถ้ามีสมาธิมีกำลังหยุดมันแต่ไม่รู้ว่าหยุดอะไรหยุดหมดทุกอย่างเวลานั่งสมาธิหยุดหมดหยุดทุกอย่างหยุดความคิดหยุดอะไรเลยไม่รู้ว่าหยุดอะไรอะไรไม่ต้องหยุดคนที่มีปัญญานี้ไม่ต้องเข้าสมาธิก็สงบได้เพียงแต่หยุดคอยหยุดไอ้ตัวที่มาก่อกวนใจให้ไม่สงบท่านเองเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดมันท่านเอง นี่แหละคือเรื่องกิจกรรมต่างๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันแต่ทำแบบคนตาบอดทำแบบไม่รู้ว่าอะไรตามมาต่อไปแล้วก็มาร้องกันมาบ่นกันมาทุกข์กันใช่มมีใครไม่ทุกข์กันบ้างทุกข์กันทุกคนเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์และไม่รู้จักวิธีเลิกเหตุนั้นกันตอนนี้พวกเราโชคดีได้มาเจอกับ ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงคือพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคําสอนหรือพระอริยสงสารผู้ที่ได้ศึกษาและได้ส า, สามารถกําจัดความทุกข์ความอยากต่างๆจนหมดสิ้นไปจากใจท่านสามารถสอนเราได้อย่างถูกต้องแม่นยําถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านสอนได้เราก็จะพ้นจากความทุกข์จะไม่ต้องมาร้องทุกข์กันอีกต่อไป เอาและนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะธาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกะปติกอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกบา จันโทปนะระโสยธามณนิโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวัชฌันโตสัพพโรโววินัสตุ มาเตภวะตะวันตารายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวะธนาสีลิสะนิจังหุธาปจายโนจตารโธรร ม, มาวาทานติอายุวันโอสุขงงังภาลังอ่าเป็นยังไงสบายดีเลย ทุอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดทุกพ่มีใช่ไหมไม่มีก็ทุกทุกก็เพราะมันหยุดความอยากไม่ได้ไม่มีก็อยากมีก็ทุกมีก็ทุกต้องหยุดความอยากเราจะไม่ทุกมีแล้วไม่มีก็จะไม่ทุกมีก็ไม่ทุกไม่มีก็ไม่ทุกถ้าไม่มีความอยากวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาสี่รอยสามสิบทั้งยูทูบ หนึ่งร้อยห้าสิบสามวันนี้ทางวิทยุติดขัดนิดหนึ่งครับเข้าไม่ได้ครับรับฟังอยู่ข้างบนนี้สามสิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดเป็นหกร้อยสิบสี่ครับมีใครอยากจะถามอะไรไหมฟังแล้วไม่เข้าใจเลยอยากจะให้เพิ่มเติมอะไรกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ เกี่ยวกับการวิธีการจัดการกับความเครียดโดยที่เราสติตามไม่ทนันนหละเจ้คาค่ะจะมีวิธีฝึกสติอย่างไรได้บ้างคะก็พุพโทโธใส่เข้าไปเลยสิบริกรรมพุโทโธพุทโธไปเวลาเกิดความเครียดก็หยุดคิดสิพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันไม่ยอมพุโทโธกันจะตามไม่ทันนะเจ้คาค่ะก็ไม่พุโทโธมันก็ตามไม่ทนันเลยบ่อยมันคิดมันก็ไปตามมันไม่ทันหยุดมันคิดก็ไม่ต้องไปตามมันใช้พุทโธหยุดมันไม่ตามมันไม่ได้หรอกเราไปเอาอะไรไปตามมันนะ เราก็ต้องหยุดมันใช้สติหยุดมันสติไม่ใช่เป็นผู้ตามสติเป็นสติเป็นผู้หยุดตกล่ะความคิดต้องหยุดไปตามมันไม่ได้ไปตามมันมันก็หนีเราไปได้เรื่อยเหมือนตะคุบเงาอยู่ตรงนี้พอวิ่งไปตรงนู้นมันก็ไปตรงนั้นต่องนั้นอย่าไปอย่าปล่อยให้มันคิดเราต้องหยุดมันเราต้องเอาความคิดอื่นมาหยุด พุโทโธพุโทโธไปหรื อ, อบริกรรมไปอะไรไปสวดมนต์ไปก็ได้คำถามจากคุณสิริมีความชื่นชมกับคนคนหนึ่งมากเป็นพิเศษแต่แต่เวลาฝันเห็นเขาก็รู้สึกเฉยเฉยแต่พอตื่นเช้ามาก็จึงมีความปลาบปื้มใจมาก มันเป็นเพราะอะไรคะจึงไม่ดีใจในขณะที่ฝันก็ไม่รู้เหมือนกันหละมาถามน้อนได้ไงนะคุณฝันเองคุณรู้ส <neither> ึกเองมันก็เรื่องของคุณก็อาจจะตอนฝันไม่ไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรมาพอผ่านมาแล้วค่อยมามีโอกาสคิดก็าจจะค่อยมาปื้มก็ได้ตอนฝันอาจจะไม่ปลื้มก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย ก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันทำไมต้องรู้ว่าทําไมใช่ไหมไม่จำต้องรู้ว่ามันทําไมเลยก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ทําไมไม่ถามมันทําไมมันสีเขียวอ่ะทําไมมันสีแดงวะอะก็มันเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหอไปรู้มันทําไมคําถามครับไม่ได้ใส่บาทแต่บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสง์โดยหักจากบัญชีธนาคารทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งพันบาทตลอดชีวิต สามารถชดเชยกับการไม่ได้ใส่บาตรได้ไหมครับได้ก็เหมือนกันนะ่ก็ให้สง่าพาตก็ท่านบิณฑบาตไม่ได้เราก็ให้เงินเขาจัดอาหารเลี้ยงท่านก็เหมือนกับการถายพัฒตาหารเหมือนกันกราบนามัสการค่ะพระอาจารย์กราบเรียนถามว่าเราเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งแล้วเห็นพระสุ บ, บุรีเราคิดในใจว่าเป็นพระ ทำไมสูบบุหรี่ในใจคิดแบบนี้เป็นบาปไหมคะไม่บาปหรอกเพราะเราไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่มันไม่ผิดพระวินยัยมันไม่ผิดศีลเพียงแต่ว่ามันเป็นโทษกับผู้สูบถ้าไม่รู้รู้จักประมาณท่านั้นเองสมัยก่อนเขาก็มีถวายบุหรี่ถวายหมากพรูให้กับพระเวลาไปนิมนต์ไปบ้านมันเป็นธรรมเนียมถ้ารู้จักเสพของพวกนี้มันก็ไม่เป็นโทษ ถ้าสูบแก้วละวันสองมวนสามมวนนี้มันก็ไม่เป็นโทษนี้สมัยปัจจุบันนี้เรามีการได้ศึกษาได้การค้นคว้าเห็นว่าบุหรี่นี้มันเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่มันไม่ไปทําให้จิตใจเราฟันฟ่นเฟือนเลอะขาดสติแต่อย่างใดเอคี้ยวหมากสูบบุหรี่นี้ไม่ได้ทําให้เรามึนเมาเหมือนกับดื่มสุราก็เลยไม่ถือว่าเป็น อ, อ เป็นข้อห้ามในในเพียงแต่ว่าถ้ารู้ว่ามันเป็นโทษก็ต้องรู้จักประมาณอาะไรก็เป็นโทษทั้งนั้นกาแฟดื่มมากๆก็เป็นโทษน้ำตาลกินมากๆยอมกินขนมมากๆทำไมไม่มีใครรังเกียวะ<ม>พอเห็นพระสูบวุ้นเหลี่หน่อยไม่รังเกียจพระแล้ว<ม>เวลายอมอ้วนเป็นตุ่มยงไ ม, ไม่ไม่มีใครรังเกียดเนี่ย ใช่เพราะสังคมก็ไม่รังเกียจก็เลยไม่รังเกียจไปตอนนี้สังคมรังเกียจคนสูบบุหรี่พอพาไปสูบบุหรี่ก็เลยลังเกียจพาไปด้วยถ้าพาก็ไม่พาก็ไม่ฉลาดพาจากจะสูบก็ถ้ารู้ว่าเขารังเกียจก็อย่าไปสูบต่อหน้าเขาก็แล้วกันใช่ั้ยก็อันนี้ก็มารู้จักกาลเทศะแต่ถ้าพรเขาก็ไม่แข็อยังลังเกียจก็รังเกียจไปเขาท่านจะสูบก็เรื่องของท่าน แต่ถ้าถามว่าพระควรจะสูบไหมถ้ายังยังยังาสูบด้วยความอยากก็ไม่ควรจะสูบถ้าไม่ได้สูบด้วยความอยากเพราะสูบเพราะว่ามีคนเขาเอามาให้สูบนี้แล้วสูบพอหอมปากหอมคอพอเปรี้ยวพอแก้เปรี้ยวปากอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสูบด้วยความอยากมันจะสูบแล้วมันจะติดแล้วมันจะสูบมาก มันจะไม่ได้สูบอย่างคนที่เขาไม่ติดอย่างหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็สูบหลวงตาท่านเล่าให้ฟังหลวงปู่มั่นท่านก็สูบวันละสามสี่มวนเวลาฉันอาหารเสร็จท่านก็ฉันสักมวนหนึ่งตอนบ่ายเวลาท่านฉันน้ําชาท่านก็สูบสักมวนหนึ่งอะไรทํานองนี้แต่เวลาไม่มีท่านก็ไม่ได้ไปสั่งให้คนไปหาบุหรี่มาให้ท่านสูบของพวกนี้มีคนเอามาถวายท่าน ท่านเห็นว่ามีท่านก็หยิบ ม, มาสูบสักมวนหนึ่งเท่า น, นั้นเองสูบแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันไม่เป็นพิษเป็นภัยเวลาไม่มีสูบก็ไม่มีความรู้สึกจะลงแดงเกังวนกัวายกระสับกระสายไม่มีไม่มีก็ไม่มีมีก็สูบไปตามมีตามเกิดแล้วก็ไม่ได้สูบมากอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยเคี้ยวมากก็เหมือนกันหนงตาท่านก็เคี้ยวมาก ท่านก็เคี้ยววันละสองสามครั้งอตอนมีมีอยู่ช่วงหนึ่งเขานิมนต์ท่านไปประเทศอังกฤษไปไปโปรดญาติโยมที่อังกฤษญาติโยมกลัววหลวงตาไปอังกฤษไม่มีหมากฉันก็เลยโหยขนหมากไปเป็นกิโลจิถวายตอนที่จะขึ้นเครื่องบินหลวงตาบอกเราไม่เอาไปหรอกเพราะเราไม่ได้ติดเราไม่มีหมากเคี้ยวเราไม่ตายหรอกอ แต่จะฉันให้คาสุดท้ายก่อนจะขึ้นเครื่องเช่ไหมท่านก็ฉันเสร็จแล้วก็บ้วนทิ้งไปแล้วท่านก็ขึ้นเครื่องไปแล้วท่านก็ไม่ได้ฉันตลอดเวลาที่ท่านไปที่ประเทศอังกฤษท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือพูดเปรียบเทียบให้ฟังจะได้เข้าใจว่าโทษมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราเสพสิ่งที่เรามันเสพอาจจะมีโทษบ้างแต่ถ้าเรารู้จักประมาณมันก็ไม่เป็นโทษได้ ไอตัวที่เป็นโทษก็คือความอยากของที่มีคุณแต่เสพมันด้วยด้วยความอยากก็เป็นโทษได้เช่นอาหารเนี่ยมันมีคุณั้ยแต่กินมากๆแล้วมันกลายเป็นโทษได้ั้ยกลายเป็นตุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยความดันขึ้นเบาหวานขึ้นอันนี้มันเสพด้วยความอยากมันไม่ได้เสพเห็นของทุกอย่างมันมันมีประมาณของมันมีคุณมีโทษของมัน ถ้าเรารู้จักเสพแล้วเราไม่ได้เสพด้วยความอยากมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเสพด้วยความอยากของจะมีคุณประโยชน์ยังไงเสพเกินมันก็เป็นโทษขึ้นมาได้อถามต่อไปคําถามจากคุณไลออนกราบเรียนถามพระอาจารย์กระผมเริ่มฟังธรรมะมาได้เกือบปีตอนนี้ทําได้คือฟังธรรมให้ทาน และทรงอารมณ์ให้ดีทําจิตให้ว่างเวลาทําอะไรก็ตามรู้ไปเรื่อยๆต่อไปถ้าอยากให้จิตพัฒนาขึ้นต้องนั่งดูลมหายใจภาวนาอย่างเดียวเลยใช่หรือไม่ครับหรือแค่ทรงอารมณ์ให้ดีตลอดทั้งวันก็พอครับออต้องนั่งสมาธิต้องทําจิตให้นิ่งให้สงบใหออ้ให้อยู่ในสักแต่ว่ารู้รวมเป็นหนึ่งแล้วจะได้ เข้าไปสู่สุดยอดของความสุขก็คือความสงบนยถ้าทรงอารมณ์ไปนี้มันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นถ้าอยากจะได้ความสุขเต็มร้อยนี่ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ดูลมหายใจไปเพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งพอจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วจิตจะสงบมีความสุขเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอะไร คำถามจากคุณนพดลกราบนมัสการหลวงพ่อครับการฝึกสติให้สติเป็นสติอินรีฝึกอย่างไรครับสติก็เป็นอินรีอยู่แล้วออการฝึกสตินี้ต้องการฝึกให้มันเป็นพระออจากสติจากอินรีเป็นพระอินรีก็คือการมีสติรับรู้ทั่วไปนี่เรียกว่าอินรี อย่างพวกเรานี่มีสติแต่มันเป็นสติที่ยังไม่มีกำลังที่จะหยุดกิเลสได้เราต้องฝึกสติให้มีกำลังหยุดกิเลสคำนึงนี้เรียวกว่าเป็นภระสติพระกับสติอินรีนี่คนระดับสติอินรีเหมือนสติเด็กเงี้ยสติภระ น, นี่เหมือนเป็นของผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสติคือมันพุโทโธพุโทโธมันหยุดคิดอยู่เรื่อยให้จิตสักแตว่ว่าลูกให้อยู่ในปัจจุบันแล้วต่อไปมันจะมีกำลังหยุดความอยากหยุดความโลภความโกรธ ค, ความหลงได้คำถามจากคุณนพดล น, นะครับอดีตชาติฝึกจนได้ชาญสมาบัติแต่นำวิชาที่ได้เรียนมาทำร้ายผู้อื่นเพื่อลาบสักการะ ผลของกรรมนั้นเป็นเช่นไรครับก็เหมือนกับการทำบาปทั่วๆไปอย่างเทวทัตเนี่ก็มีอภินญาเลยคิดว่าตนเองฉลาดคิดว่าตนเองเก่งสามารถปกครองสงฆ์ได้ก็เลยขออนุญาตให้พระพุทธเจ้าแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าเลยพอพระพุทธเจ้าปฏิเสธก็เลยโกรธพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งแต่ไม่สําเร็จ ตายไปก็เลยต้องไปตกนรกขุมลึกที่สุดที่เรียกว่าอนันตเรียกรรมโทษหนักที่สุดโทษเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดยุยงให้สงแตกแยกนี่ก็เป็นผลของการกระทำบาดด้วยอภินยาด้วยความหลงคิดว่าตนเองมีความฉลาด แล้วก็เอาความจาดความสามารถนี้ไปใช้ในทางที่ผิดนี yeah. คำถามครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เวลาเรากำหนดสติดูตัวเองไม่ว่าจะกายหรือใจเห็นความทุกข์อยู่ทุกส่วนร่างกายเพราะปวดเมื่อยเป็นเวทนาเกิดอยู่ตลอดใจก็เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขสลับกันอยู่แบบนี้ การที่เรามีสติอยู่กับตัวเองรู้สึกว่าเราจะเห็นทุก์มากกว่าคนอื่นที่ไม่พิจารณาเจ้าค่ะแบบนี้เราจะวางใจอย่างไรเจ้าคะเราก็ต้องหยุดหยุดใจหยุดความคิดหยุดความอยากถ้าเราดูจิตแบบนี้มันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ทําให้ใจเราสงบไม่ทําให้ใจเราเย็นเราต้องหยุด ความคิดหยุดความอยากแม้แต่พิ จ, จารณาตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะพิ จ, จารณาตอนนี้เราต้องหยุดความคิดหยุดความอยากเพื่อให้ใจสงบมีความสุขก่อนพอใจเรามีความสงบมีความสุขแล้วเราจะได้รู้วิธีที่จะอยู่แบบไหนดีกว่าอยู่แบบคิดหรืออยู่แบบไม่คิดอยู่แบบอยากหรืออยู่แบบไม่อยากยาถ้าเราไม่สามารถทาใจให้เราสงบ ด้วยการหยุดความคิดหยุดความอยากมีความสุขได้เราจะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนต่อให้เราคิดว่าร่างกายทุกข์อย่างไรมันก็เลิกพึ่งร่างกายไม่ได้มันก็ยังต้องพึ่งร่างกายยังต้องใช้ร่างกายพาไปทํานูน่นพาไปทํานี่อยู่ยิ่งการใช้ปัญญาขั้นนี้ไม่มีประโยชน์อะไรรู้แต่ทําอะไรไม่ได้ รู้ว่าร่างกายทุกข์แต่ก็ต้อง อ, อยู่กับมันรู้ว่าสามีภรรยาทุกข์แต่ก็ต้องอยู่กับเขาเพราะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเหง า, าต้องลองไปทำจิตให้สงบก่อนอมีสติดูอะไรเพื่อหยุดความคิดอย่าดูเพื่อให้คิดดูให้คิดนี้ไม่ใช่เป็นการฝึกสติฝึกสมาธเาิเป็นการฝึกปัญญาแต่ปัญญาตอนนี้ไม่มีไม่มีน้ายา มีแล้วก็รู้แล้วก็ทำอะไรไม่ไม่ถูกทำไม่เป็นไม่รู้จะไปไหนต้องไปหยุดความคิดหยุดความอยากทำใจให้สงบแล้วเจอความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วจะรู้ว่านี่คือที่เราจะต้องไปทิ้งร่างกายเพื่อมาตรงนี้แต่ถ้าเราไม่มีตรงนี้เราไม่รู้จะไปไหนเหมือนถ้าเราไม่ไ ม, มีแฟนใหม่เราก็ไม่อยากจะทิ้งแฟนเก่าใช่ไหถ้าเราได้แฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าเราจะเก็บแฟนเก่าไว้ทาไม ใช่ไมอ่าก็เหมือนกันตอนนี้เรามีร่างกายเป็นแฟนเก่าเรารู้ว่ามันทุกข์เดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราก็ไม่มีไม่รู้จะทํำยังไงไม่มีมันเราก็ทุกข์มีมันมันก็ทุกข์อ่แต่ตอนนี้ยังมีมันก็ยังมีความสุขบ้างก็เลยต้องมีมันต่อไปแต่พอเรามาพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ทิ้งแฟนเก่าได้ทิ้งร่างกายได้มาอยู่กับแฟนใหม่ดีกว่าเอ น้นต้องหาแฟนใหม่ให้เจอก่อนก่อนจะทิ้งแฟนเก่าอย่าเพิ่งไปทิ้งแฟนเก่าแต่ยังไม่มีแฟนใหม่เข้าใจอ่งคนส่วนใหญ่ปฏิบัติปฏิบัติไม่ถูกคิดว่าดูใจดูใจมีสติดูใจแล้วก็ก็สามารถที่จ ะ, ะเข้าใจอะไรแล้วก็สามารถมีความสุขได้มันไม่มีอ่ะมันไปไม่ไปไม่ มันไม่รู้จะไปไหนรู้ว่าทุกแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับความทุกข์เหล่านี้จะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เพราะยังเพราะยังต้องอาศัยมันอยู่แต่ถ้ามีความสุขแบบใหม่มันจะทิ้งทุกอย่างได้หมด ทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งทรัพย์สมบัติเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยพบกับความสงบมาก่อนก่อนที่จะออกจากวังนี้ท่านสมัยเด็กๆดังนั้นท่านเคยนั่งอยู่คนเดียวภายใต้ลมไม้คนพวกพวกข้าราชบริพารเขาไปทําภารกิจอย่างอื่นปล่อยท่านนั่งอยู่ตามลาพังคนเดียวพอไม่มีใครมาห้อมร้อมไม่มีใครมามาชวนคุยชวนเล่นท่านก็เลยจิตก็เลยเข้าข้างในสงบ ท่าบอกมหาจัจจันใจท่านก็เลยรู้ว่าอ่อมีความสุขอีกอย่างหนึง่งในตัวเราเองนี่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องมีอะไรยังต้องหาความสุขอันนี้ก่อนถึงจะสิ้งความสุขอย่างอื่นได้ต่อไปคําถามจากคุณพัทธระกราบนามัสการพระอาจารย์ขอเรียนถามคนที่ทําอาชีพรับซื้อขายเช่าพระ จะบาปและตกอบายไหมครับกราบขอบพระคุณครับเ อ, อ๋อไม่หรอกถ้าขายแบบตรงไปตรงมาไม่โกหกหลอกลวงออขายไปตามเหมือนเราขายสินค้าทั่วๆไปออพระวัตถุมงคลก็เป็นวัตถุเป็นสินค้าเ อ, อเมื่อมีคนอยากจะซื้อก็มีคนขายนั่นเองถ้าไม่มีคนอยากจะซื้อมันก็จะขายไม่ออกแต่มันไม่มีความมงคลอยู่ในวัตถุมงคลเป็นความเชื่อว่ามี คิดว่าซื้อมาแล้วห้อยคอแล้วจะคุ้มครองจะปลอดภัยเหมือนซื้อประกันชีวิตอย่างนั้นแต่ไปดูคนที่ตายดูเนี่ยค่อยค่อยพากันนั่นเหรเห็นไหมคำถามครับขอกราบเรียนถามพระอาจารย์แฟนเสียชีวิตไปสองปีกว่าแล้วค่ะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเคยถามเขาว่า ถ้าเผาแล้วจะเอาอาัฐิไปลอยอังคารเอาไหมเขาเฉยไม่ตอบเลยทำให้ยังต้องเก็บเอาไว้ที่บ้านจนทุกวันนี้อยากเรียนถามค่ะว่าในกรณีนี้ถ้าโยมจะจุดธูปบอกกล่าวเขาแล้วนำไปลอยอังคารจะผิดสัญญาอะไรหรือเปล่าคะเพราะโยมคิดว่าถ้าโยมเสียชีวิตไปคนอยู่ข้างหลังก็น่าจะต้องนำไปลอยหรือเอาไปไว้ที่อื่นอยู่ดีโยมคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ คนตายไปแล้วร่างกายของเขาไม่ได้เป็นของเขาแล้วใครจะไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของคนที่มีภาระหน้าที่นั้นคิดว่าอย่างไหนเหมาะสมก็นอกจากเขาสั่งไว้ก็ต้องคนจะทำตามที่เขาสั่งถ้าเรารับปากกับเขาไว้ถ้าเขาไม่ได้สั่งเราไม่ได้รับปากเราก็สามารถจัดการตามที่เราต้องการได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ตอนที่ก่อนท่านจะตาย ก็มีคนถามว่าจะให้จัดการกับศพของพุทธเจ้าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สั่งว่าให้เอาผ้ามามัดไม่รู้กี่ชั้นก็ไม่ทราบเสร็จแล้วก็ให้เก็บไว้เจ็ดวันหลังจากนั้นก็ให้เผาเผาเสร็จก็ให้เอากระดูกที่เป็นพระธาตุนี้มาแบ่งให้กับกษัตริย์ต่างๆไปบรรจุในเจดีย์ต่างๆถ้าสั่งไว้ก็ต้องทําตามคําสั่งถ้าเราลับถ้าเรารับ ถ้าเราตอบรับคำสั่งถ้าเราไม่อยากจะทำตามคำสั่งก็ตอบต้องบอกตอนที่ท่านสั่งว่าผมไม่สามารถทำตามได้ก็บอกไปถ้าสามีไม่ได้สั่งอะไรก็เป็นก็แสดงว่าเขาไม่สนใจจะทำอะไรเขาไม่สนใจเราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ความเหมาะสมของเรา แต่ถ้าเขาสั่งไว้ว่าห้ามาไปทำอะไรให้เก็บไว้กับเธอจนมันตายถ้าเธอรับปากเธอก็ต้องเก็บไว้จนวันตายถ้าไม่รับปากก็ไม่ต้องเก็บก็ได้อยู่ที่ว่าเราทำสัญญากันไว้หรือเปล่าถ้าไม่ทำสัญญาเขาสั่งไงเราก็บอกว่าพี่เสียใจด้วยไม่สามารถทำตามที่สั่งได้คำถามจากคุณทบ ขอถามว่าจิตวิญญาณหลังจากตายแล้วยังคิดนึกอยู่ได้ไหมครับได้ร่างกายไม่มีมันยังคิดอยู่เนี่ยมันฝันไงเวลานอนหลับเนี่ยร่างกายก็ไม่ได้ทําอะไรไ ม, ม่มันก็ไม่มีร่างกา ย, ยตอนที่เรานอนหลับนี่ร่างกายตายชั่วข่าวใช่ไหมนอนนิ่งเหมือนคนตายเลยแต่ใจมันก็ฝันต่อมันก็คิดเนี่ยความฝันก็เกิดความคิด มันก็เอาเรื่องที่มันเคยคิดเคยเคยทำเคยทาเคยพูดมามาคิดใหม่ถ้าทำเรื่องไม่ดีมันก็จะคิดเรื่องไม่ดีฝันร้ายไปถ้าทำเรื่องดีมันก็จะเอาเรื่องที่ดีมาคิดมันก็ฝันดีไปพระเจ้าถึงสอนให้ทำดีอย่าไปทำบาปเวลานอนหลับจะได้ฝันดีไม่ฝันร้ายถ้าเวลาตายไปฝันร้ายก็เป็นอบายฝันดีก็เป็นสวรรค์ คำถามจากคุณทะเนศความอยากมาทางอายตนะใช่หรือไม่ครับพระอาจารย์ก็มันอยากทางนั้นแต่สิมันก็ไปทางนั้นมันอยากอยากดูรูปมันก็ต้องมาทางอายตนะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอเพราะมันถ้ามันอยากอย่างอื่นก็ไม่ต้องถ้ามันอยากจะเข้าฌานมันก็ไม่ต้องไปทางอายตนะถ้ามันอยากจะสงบมันก็เข้าข้างในแทนดึงใจออกจากอายตนะ ใช้พุทธโธหนึ่งออกจากตาหูจมูกลิ้นกายให้เข้าข้างในพอเข้าข้างในจิตสงบนิ่งก็เป็นสมาธิขึ้นมาคำถามครับเมื่อระลึกถึงบางสถานที่ที่เคยอยู่แล้วมีชีวิตชีวามีแรงทำงานก็อยากกลับไปอยู่ที่นั่นอีกอย่างนี้ถือว่าเป็นราคะหรือไม่และจะทำอย่างไรครับ ก็คิดถึงเรื่องที่ไม่ดีบ้างสิเรื่องที่เราอยู่มันไม่ใช่มันจะดีอย่างเดียวเวลามันเหตุการณ์ผ่านไปแล้วมักจะลืมเรื่องที่ไม่ดีชอบคิดแต่เรื่องที่ดีอยากจะกลับไปหาเรื่องนั้นแต่พอกลับไปจริงๆเขา้าเดี๋ยวก็ไปเจอเรื่องเก่าที่ไม่ดีโผล่ขึ้นมาอีกเนี่ยใจเรามันชอบหลอกเรา เวลาเราอยู่ในปัจจุบันแล้วเราไม่มีความสุขเราก็จะขวายคว้าหาความสุขจากอดีตบ้างจากอนาคตบ้างบางทีก็ฝันว่าเดี๋ยวได้ไปเมืองนอกแล้วเดี๋ยวขอวีซ่าได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมมันก็หลอกเราคิดพอไปจริงๆเดี๋ยวไปถูกเขาหลอกเราก็ซวย <c oughs> อันนี้ใจมันจะคิดหลอกตัวเองคิดหาความสุขหลอกตัวเองไปไม่คิดตามความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ แต่เราจะชอบไปคิดแต่เรื่องสุขเท่านั้นเองถึงแม้จะไปต่างประเทศมันก็ต้องทุกกับการไปตีตัว๋วไปทําวีซ่าไปอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ใช่ว่ามันจะไปแบบสบายอย่างเดียวมันมีทุกข์กับทุกอย่างที่เราทําเนี่ยย่างน้นเราคิดรอบคอบถ้าเราคิดแบบอารมณ์มันจะไม่รอบคอบ อารมมันจะเอาแต่เรื่องที่มันชอบมันมันมันอยากมาคิดไอ้เรื่องที่มันไม่ชอบมันลืมไปหายไปหมดเนียคำถามจากคุณพิมพ์กราบนมัสการเจ้าค่ะอยากให้อธิบายถึงฌานวิมุตโตคือฌานขั้นสูงสุดใช่ไหมคะอ๋อไม่หรอกฌานวิมุตโตก็คือการหลุดพ้นด้วยฌาน ซึ่งความจริงมันหลุดพ้นด้วยฌานอย่างเดียวไม่ได้มันต้องหลุดพ้นด้วยฌากับปัญญาถึงจะหลุดพ้นได้แต่ผู้ที่มีฌานที่เรียกว่าฌานวิมุตโตก็คือพวกที่มีมีเก่งทางฌานแต่ไม่เก่งทางปัญญาแต่ก็มีพอที่จะหลุดพ้นได้อย่างพวกที่มีอภิญญาทั้งหลายนี้เขาเรียกเป็นพวกที่เก่งทางทางฌาน สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วเลิกชาติได้มีความรู้พิเศษต่างๆแบบนี้แต่ก็ต้องมีปัญญาที่เห็นเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขเห็นในความอยากว่าเป็นทุกข์เนี่ยถึงจะหลุดพ้นได้ส่วนพวกอีกพวกหนึ่งเขาเรียกเป็นพวกปัญญาวิมุตโตเนี่ยพวกนี้เก่งทางปัญญาแต่ไม่เก่งทางสมาธิไม่เก่งทางฌานได้แค่ฌานสี่ไม่มีอภิญญาไม่มีเอ ไม่มีตาทิพูทิ่ไม่สามารถติดต่อกับเทวดาหรืออะไรได้แต่เก่งทางปัญญาชลาดรู้เรื่องอริยสัจ ส, สี่รู้เรื่องตายรักมากกว่าทางทางสมาธิเขาก็เรียกพวกนี้ว่าพวกปัญญาวิมุตตพวกปัญญาวิมุตต์ก็คือพวกภาษารีบุตรเนี่ยภาษารีบุตรนี่เก่งทางปัญญาแต่ไม่เก่งทางฌานส่วนพระโมกลานี่เป็นพวก เจโตหรือชานวิมุตต์คือเป็นผู้ที่เก่งทางฌานแต่ไม่เก่งทางปัญญาแต่ไม่ไม่ใช่ไม่มีปัญญามีแต่ไม่เก่งถ้าเรียนหนังสือก็ปัญญาจะได้สองจุดนีแต่ฌานอาจจะได้สี่จุดนีในทางตัวกันข้ามพวกที่เก่งทางปัญญาก็ปัญญาได้สี่จุดแต่ฌานได้แค่สองจุดนี้แตก็ผ่านสองจุดก็ผ่านพอที่จะทําให้ ใช้ในการปฏิบัติได้ก็มีสองพวกเพราะจริตมันเป็นสองทางกันพวกที่ เ, เก่งทางฌานก็มีพวกที่เก่งทางปัญญาก็มีคำถามจากคุณหมูหลวงพ่อครับทำอย่างไรถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ครับก็ค่ากิเลสให้หมดเลย่าความโลภความโกรธความหลงค่าความอยากต่างๆ อยากมีแฟนอยากเที่ยวอยากกินอยากดืม่มเนี่ยไปบวชเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เป็นพระละหันกันคะคำถามจากคุณสันติพัฒ์ตอนที่เราหลับจิตเราหลับด้วยไหมครับถ้าไม่หลับจิตอยู่ที่ไหนครับจิตอยู่ที่เดิมมันเพียงแต่มันฝันเยมันคิดเนี่ยมันคิดต่อคิดเป็นกะเลยกะเราก็เรียกว่ามันฝัน เวลาเราตื่นมันก็คิดแต่เราไม่เรียกว่ามันฝันเราคิดว่าเราเรียกว่ามันคิดแต่บางทีเราก็เรียกว่าเพ้อฝันใช่ไหมเธอนั่งทำอะไรอยู่คนเดียวนั่งเพ้อฝันนั่นก็ฝันฝันแบบตื่นฝันแบบหลับก็เวลารั่งกายหลับตาก็ฝันไปจิตมันไม่เคลื่อนที่จิตมันอยู่ที่เดียวจิตมันอยู่ที่โลกทิพมันไม่เคลื่อนที่มันไม่มีรูปมีร่างมันไม่ต้องเคลื่อนที่เหมือนร่างกายมันไม่มีที่จะต้องให้มันเคลื่อน มันอยู่ของมันตรงนั้นแหละจิตมันไม่ได้เคลื่อนแต่มันเคลื่อนด้วยความคิดคิดถึงอดีตมันก็ไปอดีตคิดถึงอนาคตมันก็ไปอนาคตเนี่ยคิดถึงอเมริกาก็ไปถึงอเมริกาแล้วเนี่ยร่างกายยังไม่ทันไปใจมันไปถึงอเมริกาแล้วคิดถึงแฟนมันก็ไปถึงแฟนแล้วใจยังไม่ร่างกายยังไม่ไปแต่ใจมันไปถึงแฟนแล้วเห็นหน้าแฟนแล้วใช่ไหมเวลาคิดถึงแฟนนี่เห็นหน้าแฟนหรือเปล่า ายมันไปด้วยความคิดมันไม่ได้มันไม่ได้ ไ, ด ไ, ด ไ, ดไปแบบร่างกายคําถามจากคุณปานีรัตพระอาจารย์เจ้าคะจะทําอย่างไรพิจารณาอย่างไรที่จะไม่ให้ห่วงลูกจะตัดห่วงนี้ได้อย่างไรคะ่ะก็คิดว่ามันตายไปแล้วก็แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวมันก็ต้องตาย <c oughs> มีใครไม่ตายบ้างคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ คิดว่ามันตายไปแล้วมันรอเวลาตายให้ให้หวัง่างนี้ก็ได้เลี้ยงดูมันดียังไงเดี๋ยวมันก็ต้องตายคำถามจากคุณเลตโกนมมสการครับพอดีผมมองที่กระจกแล้วเห็นร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวของเราเหมือนร่างกายเป็นเหมือนศพ อย่างนี้แปลว่าอย่างไรครับก <ga an> ็เพียงแต่คิดไปเท่านั้นเองถ้าเห็นจริงมันก็ต้องปล่อยวางมันได้ปล่อยมันไปทิ้งอยู่ในป่าช้าคนเดียวได้ไปอยู่กับเสืออยู่กับสัตว์ได้มันจะตายเมื่อไหร่ก็ให้มันตายได้มันถึงจะเห็นจริงเห็นหน้ากระจกมันก็คิดไปว่านี่ไม่ใช่ตัวเรามันอยู่ในกระจกมันก็คิดไปเท่านั้นเองพอใครมาตบหน้าหน่อยก็โกรธขึ้นมาใช่มไหอ ถ้ามันไม่ใช่ตัวเราจะไปโกรธทำไมเวลาเราเห็นคนอื่นเขาตบหน้าคนอื่นเราไปโกรธโกรธแทนเขาหรือเปล่าเราไม่เปโกรธแทนเขาหรอกใช่ไหมเพราะเราไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเราแต่ใครมาตบหน้าเราเราโกรธหรือเปล่าเราอยากจะลองดูเราเป็นอย่างเห็นว่าเป็นตัวเราลองให้ใครมาตบหน้าดูเนี่ยเห็นกับเห็นกับรู้จริงมันไม่เหมือนกันเห็น คิดกับเป็นคิดก <kendi S 1> ับความจริงมันไม่เป็นความคิดกับความจริงมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นความจริงแล้วถ้ารู้ว่ามันเป็นแค่ร่างกายอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราต้องไม่มีอาการอะไรไม่มีอารมณ์อะไรกลับไปกับมันเหมือนกับร่างกายคนอื่นเวลาเกิดเป็นอะไรกับร่างกายของคนอื่นเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยแต่พอมาอะไรมาเกิดขึ้นกับร่างกายเรานี่เราเดือดร้อนขึ้นมาถ้าเราเดือดร้อนก็แสดงว่ายังไปถือว่ามันเป็นร่างกายของเราอยู่ คำถามครับกราบนามัสการพระอาจารย์อยากจะทําใจให้วางเฉยกับทุกๆเรื่องที่มากระทบใจจะทําอย่างไรคะเพราะบางทีก็ทุกข์ใจอยู่ลึกค่ะก็พุโทโธพุโทโธไปฝึกสมาธิฝึกสติไปถ้ามีสติจิตจะสงบนิ่งพอจิตสงบนิ่งแล้วก็จะวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้จะไม่ทุกข์กับอะไร คำถามจากคุณคมกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับจิตผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาธิมาก่อนสามารถเลื่อนภูมิจิตขึ้นสู่พระโสดาบันได้ไหมครับไม่ได้หรอกต้องมีสมาธิคำถามครับนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธพอรู้สึกตกจากที่สูงแล้วลมหายใจหายไปอันนี้คืออาการของจิต ทีนิ่งสงบแล้วใช่ไหมคะถ้ามีตัวรู้อยู่ก็ใช่ถ้าตัวรู้หายไปด้วยก็หลับถ้าไม่รู้อะไรเลยหายไปหมด้ก็หลับแต่ถ้าสงบแล้วตัวรู้รู้ว่าสงบสักแต่ว่ารู้อยู่อย่างนี้ก็ยังแสดงว่าใช่เป็นสมาธิมีความสุขนคําถามจากคุณนพดลกราบนามัสการพระอาจารย์ครับ <c oughs> ทุกวันนี้ ผมฝึกสมาธิไม่ก้าวหน้าเหมือนถูกลงโทษให้สติไม่สมบูรณ์ก่อนหน้านั้นผมฝันว่าหลวงตามหาบัวมหาผมเข้าไปกราบท่านท่านเล่นอยู่กับหมาสักครู่แล้วท่านก็ไปท่านบอกว่า90สิบนะอยากได้คำแนะนำเรื่องการฝึกสติสำหรับคนที่เคยทำบาปทำกรรมไว้มากอย่างผมครับก็ขยันดขยันพุทโธไป ถ้าเราคิดได้ทั้งวันพอให้คิดพุดโทโธคิดไม่ได้มันก็เป็นความคิดเหมือนกันเะฉะนั้นเราต้องบังคับให้มันคิดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าปล่อยมันไปคิดกับเรื่องอื่นมันเดี๋ยวมันก็จะได้สติกลับมาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับลูกหลานอยู่กับเราหลายคนเป็นครอบครัวแล้วเราไม่ชอบใจในหลายเรื่องเราให้เขาย้ายออกจากบ้านเรา ต้องทำอย่างไรครับอ้าวก็คุยกับเขาสิครับแล้วก็บอกเขาว่าอยู่กันแบบนี้อยู่กันแล้วมันมีปัญหาจะทํำยังไงดีเไปอยู่ที่อื่นดีไหมอะไรเงก็ต้องคุยกันพยายามพูดให้ดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่าให้บัวมันช้าน้ํามันขุ่นได้ก็ดีรักษาน้ําใจกันไว้เออ แต่ถ้าไม่ได้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งก็ต้องตัดสินใจว่าจะเอาน้ำใจหรือว่าจะเอาความสบายใจถ้าเอาความสบายใจอาจจะเสียน้ำใจถ้าอยากจะเอาน้ำใจก็อาจจะต้องอยู่กับความไม่สบายใจต่อไปคำถามจากคุณนริศราเดินจงกรมรู้สึกตัวว่ากายเดินสักพัก จิตมารู้ที่ลมหายใจกระเพื่อมแล้วเห็นกายเดินโดยไม่ได้บังคับมีเวทนาเกิดบ้างแต่ไม่สนใจก็หายไปสักพักกลับมานั่งสมาธิไม่กล้าเดินนานขอเรียนถามว่าอย่างนี้ทำถูกหรือไม่คะไม่ถูกอะเดินต้องให้อยู่กับเรื่องเดียวถ้าอยู่กับเดินจะอยู่กับเท้าก็ให้อยู่กับเท้าไปอย่างเดียวอย่าไปรู้เรื่องอื่น เดินก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือจะเดินก็อยู่กับพุโทโธก็พุโทโธไปไม่ใช่ไปรู้เรื่องนั้นแล้วกลับกลับมารู้เรื่องนี้มันก็ไม่มีสติมันก็ยังคิดอยู่เราต้องการให้มันอยู่กับเรื่องเดียวให้มันหยุดคิดถึงเรื่องอื่นๆอยั้นไม่ว่าจะเดินจะนั่งให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอย่าปล่อยมันหลอกเราเดี๋ยวก็ไปที่จิตเดี๋ยวก็มาที่กายคิดกลับไปกลับมาอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรสักอย่าง ถ้าให้มันอยู่กับเรื่องเดียวแล้วมันจะนิ่งมันจะสงบมันจะเย็นจะสบายคำถามจากคุณหมูทำอย่างไรถึงจะอยู่ในป่าคนเดียวได้ครับหลวงพ่อครับออก็ต้องมีสติมากๆถ้าเวลาอยู่ในป่าถ้ามีเกิดความกลัวถ้ามีสติก็หยุดความกลัวได้ถ้าไม่มีสติเดียวมันก็ทนอยู่ไม่ได้ เรากลัวมากๆ ม, ม, มันก็จะความคิดมันก็จะคิดบอกไปดีกว่าไปดีกว่าแต่ถ้ามีสติเราก็หยุดมันเวลากลัวอะไรก็อย่าไปคิดถึงมันพอจิตสงบมันก็หายกลัวคําถามจากคุณมาลัยลักหลวงพ่อคะพระเทวทัต ท, ท่านได้ถึงฌานแต่ทําไมท่านยังไม่ถึงพระโสดาบันคะเพราะท่านไม่มีปัญญา ต่าไม่พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราท่านยังหลงติดอยู่กับร่างกายยังคิดว่าเป็นเป็นเป็นเป็นของเที่ยงของของสุขของเราอยู่ั่นก็เราอย่างติดอยู่ติดกับลาบยศสรรเสริญทางร่างกายอยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเพราะการได้สมาธิได้ฌานมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เรา ตัดกิเลสตัดความอยากได้โดยสมาธิที่ไม่ใช่เป็นสมาธิที่เป็นอัปปนาไปได้สมาธิที่เป็นอุปจาระสมาธิที่ได้อภิญญาได้ความสามารถพิเศษสมาธิแบบนี้จะไม่มีแรงสู้กับกิเลสจะไม่ไม่ทำให้ใจอิ่มถ้ามีสมาธิบแบบหนึ่งคืออัปปนามันจะทำให้ใจอิ่มใจมีความสุขเราจะสามารถสู้กับความอยากต่างๆได้ คำถามจากคุณนันตกากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอถามว่าเงินที่เราใส่กระป๋องทุกวันหลังจากสวดมนต์เสร็จไว้สําหรับทาบุญเวลาเราจะเอาไปทาบุญจริงๆเราแลกเป็นแบงก์ใหญ่ได้ไหมคะในราคาเท่าเดิมเพราะสะดวกในการนำไปถวาย เคยฟังแม่ชีท่านหนึ่งท่านบอกว่าเงินที่เราอนุโมทนาแล้วห้ามแลกยกเว้นที่วัดเพราะเป็นเขตอภัยทานไม่จเจงหรอกแลกได้ถ้ามันมีคุณค่าเท่ากันเหมือนกันมันอยู่ที่คุณค่าราคาเท่านั้นเองไอกระดาษหรือเหล็กโลหะมันก็เป็นเพียงแต่อตั ว, ต, วตัวแทนตัวคุณค่าของเงินนั้นนั่นเองงั้นแลกไดไ้ไม่เกี่ยวกัน เหตุอภัยทานมันเกี่ยวกับอะไรและกับการแรกหรือไม่แรกมันเกี่ยวกันตรงไหนะคำถามจากคุณวรวรรณกราบนามัสการพระอาจารย์ถ้าจิตรวมแล้วยังคิดได้อยู่ไหมเจ้าคะเคยรวมลงแล้วทีหนึ่งเหมือนจะอยากรวมลงอีกเวลานั่งสมาธิค่ะอ๋อมันมันจะไม่คิดแบบ แบบที่เราเคยคิดเนี่ยมันอาจจะคิดนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยหรือรู้นิดนดหน่อยหน่อยอะไรอย่างนั้นได้อยู่แต่มันจะแบบแต่ถ้ามันสงบจริงๆมันก็จะไม่คิดอะไรเลยมันจะรู้เฉยเฉยไปคําถามจากผู้ฝากถามพิจารณากายในกระจกอยู่อยู่เห็นเป็นเหมือนซากศพทําให้ตกใจ ควรทาอย่างไรต่อคะถ้าตกใจก็อย่าเพิ่งไปทาแสดงว่าใจไม่มีกำลังที่จะให้มองความจริงก็ต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิให้ใจมีกำลังก่อนถ้าจิตมีความสงบมันจะมองความจริงได้มีหมดพอดีแล้ว เ, เวลาก็หมดพอดีมีใครอยากจะถามไหมถ้าไม่มีก็จะขอ